นโมตสควตโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัจจ a นโมจตสัคคกวัโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสันโมตสควตโตอรหโตสัมมาสัมพุทธสัจจ์ุาธมะกุศลาธมะอวิาณาธมทีท วันนี้เป็นวันที่ที่1็ดมษายน2 5 3 5เป็นวันสาวที่9คําเดืนน4ทุ่ยยบันดาพุท ธ, ธิากุลกิจชนหลายมาทำบุญในวันนีเพราะถือว่าเป็ น, น, น, กกน ว, วันเนื่องในการทุกข์กรารวันทุกข์การจริงๆเอ้ยทปต้องหมวะเออไ่จัดจัดเอาไปต่อในอกต่อนอก เราคือรากกว่าฟังเสีางขกาแต่เราถ้าวามจิงวันทุด ก, การเปนวันที่สิบสามตาสยว่ามาวานนี้ทําบุญวันใส่ค่ำก็ทํทาต่อเรืยไปถึงวันที่สิบสามเลิกเขาขึ่งต้นวันที่สิบสามเราเลิกวันที่สิบสามจะได้ไม่ไปกันเะวัดอยางใช่ไหม เป็นนัยว่าการทาบุญรุ่นดาท่านพุทธบริษัทหวังว่าทุกคนคงทราบแล้วว่าการเข้าวัดหมายที่การไปสวรรค์ก็ได้ไปพุทธโลกก็ได้ไปนิพพานก็ได้ถ้ามีพ่อไปร่วมวัดเป็นสถานที่ทาบุญทำบุญศนทำคนให้มีความสุขเมื่อตายไปแล้วอย่างน้อยที่สุดรุ่นดาท่านพุทธบริษัทธหลายตั้งใจคิดว่าจะมาทําบุญ ตั้งใจไว้สองสามวันแล้วว่าจะมาทําบุญคิดว่าวันพระจะไปทําบุญที่วัดแต่บางเอิมไม่ทันเหงนวันพระตายเสีก่อนเพียงเท่านี้องค์ทุกข์ในปจนาวรมูลศาสดาสมมาสัพุทเจ้าถือว่ามีิีกอุศลก่อนจะตายตายแล้วก็ไปสวรรค์ทันทีที่ยังไม่มาทำบุญนะเพราะว่จิตําบุญแล้วบุ่นไม่เกิดสณิคิด ตอนนเมื่อท wow, ja ah ah, ่านมาถึงวัดอันดับแรกผู้คนตั้งใจบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เพื่อพุดธคุณมากรบบูชานาพระเป็นการบูชาพระัตนตรัยเป็พระพุทธเจ้าหนึ่งพระธรรมหนึ่งพระสงฆ์หนึ่งตั้งสารดยการนี้จัดแนวมโนินึกถึงพระพุทธเจ้าเป็พุทธานุนตินึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุโตินึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นสังฆานมโนิ อันุสติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะที่ส น, นึกอยู่นำใม้ไปสวรรค์ได้ตั้งนี้พออพเพราะแต่ผู้อักเสวนประนหลังจากนั้นบรรดาเดินพุทธสาวที่กระโจนก็ตั้งใจสมาทานศี่นคำว่าถิ่นนี้แปลว่าปกติให้มีอฟางรู้ถึงปกติเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่รักทรัพย์เราจะไม่ปพฤติเสกาม เราจะไม่หุนสาวาดเราจะไม่เดือดร้อนอะไรตอนถ้าจะบว่าี้เนสุติยันติคนที่มีสิชาตินี้ก็เป็นสชาติหน้าก็เป็นสุขี้เลยนะครูธมชาคนที่มีสินชาตินี้ก็เป็นจนชาติหน้าก็ลำล้ำรวยมากชี้เลยนะสุภติยันติชีเด็ดจะเป็นใจเข้ารู้ฟนได้ดึง่าย ก็โดยมุนท่านอีสองธรรมดาด้วยสัจธรรมท่านอีสามตั้งใจฟังพระสวดท่านอีสี่ตั้งใจฟังพระเทศน์อนุเนริสงเหมือนกันการฟังพระสวดจิตสมาธิฟังพระเทศจิตว่าใจกิเลสเราฟังว่าทั้งสองอย่างนี้มีริสมมาก วเฉพาะให่นียวันนี้ถ้าสดบทที่มีปานสำัญมากที่สุดในพุทธศาสนาคือบทมาลิกาเาว่ามาลิกานี่ก็แม่บทวิชันรรการฟังวิชรรมมันบรรดาจากักรวิสพันธ์หลายอย่างสูงมาก <c oughs> แต่เข้าใจว่าแควัในใ น, ใ น, ใ น, ในี้คือได้แค่แ่เึ่งเดียวในสอกวิชันนะก็ยังไม่ต่อว่าที่อุาอีกเพียงหนึ่งปีวิญญาณ ดีนะแต่วันนี้ไม่จบถ้าต้เรียนจบกมาดีข้าวกันก็นรว่าการตังิธรรมในบรรดาท่านพุทธรสัตทั้ง ห, หลายตังอิธรมครั้งเดียวจะมีอิสอยางความเป็นอรหรันเรื่องนาาก็มีว่ามงงมองสมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าพระพุทนาวพระ พ, พุทธรตนะศพด้วยก่อนองเือนงอง เวลาดน้นพระพุตตโลกสงฆ์เทศน์อภิธรรมสอนพระบรรดาพระทั้งหลายฟังแล้วก็ตั้งใจใจใจะให้เข้าตัวจงได้รวมตัวกันเขา้าไปอยู่ในท่ำถ้ำหนึ่งท่ำนั้นมีข้างคาว500ตัวค้างคาวเน่ยนอนกลาวันหาจิงกลาคืน ต, ตอนกลาวันก็ท้าวจับเตดานเตยดานถ้ำค่อยหัวลงนอนหลับ เวลานั้นพระเข้าไปในธรรมนั้นพระไม่เป็นภัยต่อทั้งข่าวพระพระไม่ฆ่าสัตว์แต่เพราะว่าพระจะกระตุนอวิชธรรมซ้อมกันให้บริการเงตัวเพื่อผึการปฏิบัติเพราะท่าฟองมันแล้วไม่ซ้อไม่เคร่งตัวไม่ไปออกปฏิบัติไม่ถูกการักซ้อมกันเวลาที่พระสักซ้อมกันเหมือพระสวดพระกีนี้ ว่าพร้อ ม, อมกันเสียงเสมอกันข้าจังหวะจากคนเสมอกันก็ฟังเพราะสำหรับเครื่องานั้นก็ไม่รู้ว่าท่านที่เป็นสวดเป็นพระแล้วก็ไม่รู้ว่าท่านทู่เป็นสวดสวดหมดอะไรแล้วชอบใจในเสียงของพระตั้งไม่รู้เรื่องด้วยไม่รู้ว่าเปพระด้วย ไม่รู้อ่าเธรรมะด้วยแล้วคอยใจในเสียงอภิธรรมไม่กี่คือแม่บทเขาว่าแม่บททำไมเพาะโดยย่อสรุปมาสวนถ้าจะสวนให้ละเอียดจริงๆก็ใช้เวลามากทั้งคราวฟังไปฟังไปมีความตัลิดเพินในที่สุก็หลับหลับเท่าหมดทั้ง500ร้อโทในระหว่างเสียงธรรมะเมื่อหลับแล้วเท้าก็หลุด จากจากคือด้ายของถ้ำลงลงมาตายทั้งหมดห้าร้อยตัวพร้อมกันไม่ได้มาตายเข้ากันสาวตายด้วยกันนะเขาไม่เนะ <c oughs> ข้าไปหาโกหกเลยตายทั้งหมดเมื่อข้ า, ขาวตายทั้งหมดอาศัยด้วยเสียงชอบใจในธรรม เขาทั้งือจิตเป็นมหาวุโสนเขานทํามใหญ่มากอริธรรมเป็นใหญ่มากยันโอของเป็นผู้มีพระพาเจ้าทรงสัมว่าบรรดาขั้งขาวทั้งหมดก็เป็นเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวเดินตัวสี่โลกขั้งขาวตัวผู้เป็นเทวดาขั้งขาวตัวเมียเป็นนางฟ้าเท่าไงื่องขาวตัวผู้เป็นนางฟ้าข้าตเมียเทวดาก็เป็นกระเคยไปนะ ต่อมาเรากคยว่มีความุุ่นสวรรค์หลัง네จากองค์สมเด็จพระทุกขเทวงนทรโดยศาสดาสมมาสมเด็จเจ้าพระสนมโคดมผู้ว่าชื่อนีในโลกเธอต้องหลายเหล่านม้ก็ลงมาเกิดเป็นคนแต่ก็มาเกิดเป็นลูกพุนชาวบำบากมาหากินในการทำปลาที่ชาวนาต้องหาปลากิน แต่ว่าเวลานั้นเลพระสําคัญอยู์หนึ่งคือภาษาดิบุตรราษาดิบุตรคือคนที่ชอบใจที่ต้งตัวใหญ่ได้เด็กคนแก่ก็ชอบใจภาษาดิบุตรคนหนุ่มคนสาวก็ชอบใจภาสาดิบุตรเด็กๆเล็กๆ ก, ก, ก็ชอบใจภาษาดิบุตรทั้งนี้ราสาดิบุตรเป็นพระที่มีความฉลาดมากเขามีจิตวิชาสูงเวลาอันใดคนปฏิบัติต่อคนแก่ก็ปฏิบัติที่ลานั้น เวลาใดท so ี <haya> ่ค <t meals> ุณหนุ่มคุณสาวชอบใจก็ปฏิบัติตามวีลานั้นเีลาไหนที่เด็กชอบใจก็ปฏิบัติตามวีลานั้นเวลานั้นตาพระเตงโยจะบอกว่าพระสาดีกบุญยาจะเข้าบ้านก็มีเครื่องเร่งของเด็กมากถือไปเด็กเห็นว่าสาดีกบุญเข้าแล้วก็วิ่งมากอดหน้ากอดหลังดึงร่มบ่งดึงจีบอน ต่างคนตน่นตางกล่าวว่าเวลาเรื่องวงลุสาธิตหมดมานะ้รุนหน้าสาธิตหมดมาแล้รุ่อาสาตหมมาแล้ ว, แ, ล ว, แ, ลวแต่พระสาธิตหมก็นั่งลงเล่นกับเด็กพระที่ชอบใจแล้วจงไปหาผู้ใหญ่ก็าเด็กพอใจแล้วเป็อนอันว่าพระสาธิตหมดเป็นพระที่มีเส น, น่ห์มากถ้าเป็นที่ชอบใจของคนทุกช้นเวลานั้นพระสาธิตหมดไบ้านชาปมง บรรดาลูกชาวละเมอก็นห้าร้อยคนไม่ใช่พ่อเดียวแม่เดียวนะคนทั้งพ่อคนทั้งแม่แต่ว่าอยู่กุ่นเดียวกันว่า <c oughs> อยู่คมเดียวกันเลยภาษาที่มัน ต, ต่า ง, งกันก็ชอบใจเพราะเด็กคนนั้นโตขึ้นมันมีความเรื่องสายในภาษาที่บุตรมากอยากจะบวชในพุทธศาสนาที่ขอญาติพ่อขอญาติแม่ไปขอบวชในคณะของนลวงระมัดที่บุตร พ่อแม่อมีญาติเมื่อพ่อแม่มญาตแน้วก็บวชท่นานนณกบุญสารีบุตรสห้าร้อยองต่อมาในพรรานั้นราสดว่าพระพุฏฏบบฏฏทธเจ้าเพื่อแสดงว่ากบฏเยหารเสร็จที่ลัวดังตจดจ์แล้ก็เด็ดไปกวดเ้นทางเจิาพระเจ้าเทวโลกใหแสดงพระธรรมเทศนาพระอภิการสอนพระธรมานา เป็นการสนองต่คุณ <c oughs> ต่อมาวันหนึ่งพระเจ้าเวลาเชา้าเวลาท่านเทศจัดากเลยเป็นไรบรรดาจะพ้ษษรวยสลดน้ําลายแต่ร่างกายที่พึดไปเอากายเนื้อทีไปด้วยพระเจ้าขึ้นไปไม่ใช่มนงิที่ใช้อายุยาเต็มใช้กายเนื้อที่ไปด้วยข อ, ลยอหล่านย้อนหลานอีกนิดหนึ่งขณะที่พระเจ้าขึนไปถึง สวรรท่านราก็ฤหัสพระอิร ก, ก็มารับแล้วก็บุมมนตรีพระเจ้าประทั บ, บ็นพระท่านพระท่านมานทรงสีดาอาดแล้วก็พระท่านบรนทรงีดาอาด น, นาาั้นตายาวสามสิบโยกด์ว้างสิบห้าโยกโงสิบห้าโยกพระอนทรคิดว่าพเจ้ามีความวสูงแดศอกมนุษย์ท่านนั่งบนพระท่านมันทรสีดาอาอยาก็จะหมือนแมงตัวเล็กเล็กเกาะอยู่บนเตียง เขาก็จะเจ้าศร้ากลางโกศึกาก็อินก็โยนผาสังกติไปกป็โยนผ้าสังกติไปแล้วพระองค์กลุ่มพระมุกมจฑาอ่านพอดีแล้วก็ทรงมาทักีร่างกายใหญ่โตพอดีพระมุกมณฑาจะอานหลังจากนั้นองค์ก็งโลกก็ได้คืัตว่าสักกาอินนี่พระอินตามพระธรรดามาอก็ใช้เทวดาห้ตามพระธรรดามาเพื่อนเทศ ถ้ารลาเช้าวเวลาสุดาที่ขึ้นไปบรรดาท่านหลายเท้าไกลเรือไปด้วยไกลเรือมันต้องกินอาหารเมื่อถึงเวลาเช้าของมนุษย์เธอพระแดงหัวใจอีกองหนึ่งเหมือนท่านทุกอย่างเป็นผูพวกนีเพศต่อตัวท่วาทนเองก็ลงมาเป็นบา ท, ที่เมืองมนุษย์เมื่อใช้ข้าวเวาสร็จก็ขึ้นไปทั้งนี้วสวดาพระอินทร์สมหลจะไปรู้เรื่องเลย โดยมืือตามท่านเปียไมได้ว่าท่านเปีนตัวกันองค์ที่หนึ่งด้ก็เหมือนท่านทุกอย่างเชศต่อ ป, ตประจาระต่อมาวันหนึ่งพระอรจ้าทรงา ว, ว่าวันนี้เป็นวันที่งิษยา่ า, าที่หมดท้งห้าเลยคนจะเป็นพระอรหันต์เพราะว่าบุเก่าที่สามมิถมาจ่ายใช่ก่อนในสมัยที่เป็ น, น, ข, น, น, นข่ า, าวตอนเช้าองค์พระเดชพระภูมิพระพ่าจ้าลงมาเทศ อล้วาโทษลงมาบินาทเมื่อรับบาดเสร็จเียบร้ยแล้วก็ไปคอยพบพระสารีบุตรที่บอกครอบสระโกเารีเมื่อพระสารีบุตรกบมาจากบินดาบพบพระพุทธเจ้าทั้เข้าไปในมระสารีการองค์สมัยนี้ตั้งมาดูดีพระสงฆ์ว่าสารีบุตรตดวก่อนสาริบุตรลูกสิษย์ของเธอทั้งห้าร้อยองค์ เดิมทีเขาเป็นข่ า, ขาวเกิดในสมัยพระวัตรส์เปนโนโนน็นนอนอยู่ในถ้แล้วฟังเสียงพระโสดอวิธรรมฟังเสียงคนไปในที่สุดก็หลักแลัก้งหมดมตายถึงห้ารอยตัวเป็อาณิสงส์ที่เขาฟังอวิธรรมทั้งๆที่ไม่รู้เรื่องว่าเป็นธรญญรมะไม่ญญรูญญ้ว่าพูงพูดผููพูดสวดเป็นพระ ไม่รู้ว่าครงสวดหรอครั้งอนององค์สมเด็จระสัมมารถมพเจ้าอใจแค่เสียงเท่านั้นบุญอนุบัรดาในสอต่างหลายถึงดวาดาบเลยสวรรค์ท่านเดินถึงสติวโลกต่อมาก็มาเกิดในรุ่งชาบะโมงวันนี้บป็นวันที่บัรดาพระต่างหลายทั้งหมดบุญเก่าเข้ามาถึงคือการทำอวิธรมะเข้ามาถึงผล้ามาถึงถ้าเขาได้ฟังอวิธรมแค่จบเดียว ก็จะสามารถบรรลุมรรคผลได้ทันทีเชื้อาดนทั้งหมดแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแนะนำารวิธรรมท่าเจ็ดสัปดาหาวิกษ์จะสวนก็คือถ้าสวดตอนเช้างราใช้ได้เป็นแม่บทเฉยๆก็สวดเพิ่มละเอียดหน่อยเมื่อพระสารีบุจรจำได้แล้วองค์พระบรมทีกแก้วก็กลับไปบนสวรรค์ชั้นเดีเินเสวโลกเจดต่อ ตอนนี้ไปจะบอกว่าสาธุตระก่อนสาบุตรเมื่อเธอฉันข้าวเสร็จจงเรียกพระองค์เธอทั้งหมดเข้ามาประชุมกันแล้วจงตั้งใจเทศนอวิชธรรมให้เขาฟังเมื่อเขาฟังจบโดยละเทั้งหมดแล้วพระองค์เดชพระฤาษีอรุเข้าไปแล้วเมื่อสาธุตระเป็นอากาากพระองค์เดชพระปฏิเสธว่าเมื่อเข้าไปฉันข้าวเสร็จ จเรียกพระมาประชุมกันถ้าเสษอภิธรรมไม่ฟังบันดาพระทั้งหมดกองอมิธรรมก็มันกรู้อรดาสัพนเสดพระเยอะหมู่คลสงสุดในพุทธศาสนาเพืบอรดา ญ, ญ, ญาโยมพุทธสัติทั้งหลายโดยสุนาเพื่อที่ได้ครึ่งหนึงนนหน่งนะอีกครึ่งหนึ่งรู้ว่าในสมัยที่ข่าวห้ารอยตัวเข้าฟังแลยก็ฟังชอบใจเสียงทั้งหมด ตั้งตัพเเริ่มสวดโดยทั้งยันหลับโดยพอใจอธิจรรมทุกเ็ดบทแต่ใด้หว่างยึดเวลากายืนก็มีมูอเหลืองแก่ตัวหนึ่งนอนอยู่ข้างข้ามมือเหลืองแก่ตัวนี้ไม่ได้ชอบใจทุกบทชอบใจบทเดียวมือบทปจุบัประจันทห้าแล้วก็สุภากทตทุกยังโุกข์ติดยังทันยังบองใชเพระกอบใจบทเดียวแต่เดยนี so ้ยังไม่จบเอาไปเที่วบที่สิบสาม ยุง่งยิ่องอ่ะเพราะนั่นว่าวันนี้บรรดายญาติโยสมทุกคนตอนเช้าเริ่มต้นก็ฟังอภิธรรมเป็นคำที่มีมูสมใหญ่มากอย่ษษางยิ่งในพระพุทธศาสนาทั้งเวลากลางคืนตอนเช้าจะเป็นบทวันดีการก็ถือแม่บทสดายอคือเจ็บบทย่อมาแล้วสองบทไม่อน้อย การกันคือก็ส่วนลเอียดทเยดดดตตท่าเกิดกบพระบรรดาจ้พระทุกบริษัททุกคนท่านเป็นคนไม่ใช่ข้างขาวเวลาท่านจะมาฟังสดก็กทราบว่าพระที่สดพระองค์เป็นพระในพุทธศาสนาแต่ตรายการในสองเสียงที่สดเราเสียงธรรมะท่านทุกคนตั้งใจฟังธรรมเพื่อฟังเคารพ แค่นี้เมื่อข้งข่าวก็ไม่รู้จักเสียงเขาไม่รู้ว่เลยเสียงธรรมะเขาไม่รู้ว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะขึ้เจ้าแต่เขาชอบใจในเสียงตายใยกนการปฏิบัติได้ลงมาครั้งหนึ่งก็มาเกิดในสมัยพระเจ้าองค์นี้เป็พระอรหันได้ชั้นใดบรรดาท่านพุทธบรรคทั้งหลายมีกําไมมากกว่าข้างข่าวมากมีอารมมากกว่าคนหนึ่ง ทุกข่านก่อนที่มาตั้งใจคือว่าจะมาฟังเทศมาลมาฟังธรรมตั้งใจมาทาบุญในการนี้สองเห็นพระสงฆ์ในพระศาสนานึกถึพระในสังขารุตติมีอริสงมากในการนี้สามฟังพระสวดเป็นธรร ม, มารุตติเมรหลวมหาสารถ้าทุกท่านมาตั้งใจทําบุญด้วยผลด้วยความจริงใจ ไอ้สองที่ท่านจะพึุได้ยิ่งกว่าทั้งข่าวมากหลายร้อยเท่าฉะนั้ น, นท่านชาตินี้เเอื่องทหลายป้าเจะนวิพานเราเอื่ อ, อาการรมบางอย่างมาติดบังท่านไม่สามารถจะไปนิพพานได้ถ้าว่าจิตใจของท่านไม่ลืมอวิธรรมก็จะหลับนึกถึงภาพพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าพืกอเพ่ก็ส่งที่เคยสวด นึกถึงแบบก็ทำยิ่งเรคฟังการนึกฝึงแบบก็ทาไม่ต้องว่าไปทั้งหมดนะนึกอย่างยิ่งเราเคยต้องอภิธรรมถ้าว่าทั้งหดอาจจะว่าไม่ได้เพียงแค่รู้จักว่าเป็นสังขารโลกิเราทมาลกติกก็นึกต่อไปว่าอนิธรรมแล้วก็สงที่ยดูมาได้เอาศัสพระเจ้าปฏะเสธเพื่อนจึงเป็นพุท ธ, ธาโุกสะติก ด, ด้วยที่เดียวกันเนี่ยดวทวัตงหลายไม่ได้มีเฉพาะการอนิธรรมอย่างเดียว อันดับแรกคือสาวพระราชาท่านตั้งใจมาวัดมาเพื่อทําบุญจิดเริ่มเป็นบุญสแล้วตอนนั้นถ้านตายก็จะไปตายไปทางฟ้าไปแล้วพอเข้ามาถึงวัดเห็นสถาปัก่อสร้างพระราชาเป็นวัดพระุทธศาสนาพระเจ้าเป็นพุทธาธิบดีด้วยเป็นจารย์คาธิบดด้วยเข้ามาถึงวัดไหว้ระพุรูปก็เป็ น, ปปนาา บ, ปบุญี เส้นพสงฆ์ไหว้เป็นสงฆ์มีึ่งความเครพนั้นป็นสงฆ์ฟังพระสวดเป็นความเครพธรรมฟังเสียงพระเทศเป็นความเคารพในเสียงพระเทศจะจําได้ไปได้กับสามใจถ้าจาได้ไปปฏิบัติก็ดีมากอย่างนี้ก็แล้วแต่อาหากุศลนอกจากนั้นท่านไหนจะมาทางศีลศีลก็เป็นหารกุศลและทุกคนใส่ปากรซื้อแกงมาช้อนเดียวต้มยช้อนเดียว ใส่โดยเพิ่อพระวันนี้จะเป็นสังฆทานเป็นมหาทานใหญ่องค์วามบุญทั้งหลายที่ท่านได้ในวันนี้ถ้าจะนับโดยประมาณจะกล่าวถึงอันดสองว่านับประมาณไม่ได้เป็นมหาพุทธลใหญ่มากแกบอกว่าเป็นเทวดาสี่พันปีเป็นนางฟ้า 4, สี่พันปีพองเทวดาซึ่งเพิ่มเท่าไหร่นับไม่ได้ก็าอันดีสอทั้งหมดแล้วรวมแล้วต้องไปนิพพาน แต่ว่บาบังเอิญกรบางอย่างทําลายท่านชาตินี้ยังไปที่ผ่านไม่ได้ท่านเราสามารถจะเกิดท่านพระพิอา่านที่ไม่ชาวก็จะมาจากในเมื่อพระพิอานมาจากพิอานพระเจ้าพระเจ้าทุกองมีความมุ่งมายเหมือนกันเหมือนกันทุกองค์ไม่กล้าว่าใครทำบุญอะไรไว้ดีขนาดไหนดีสมมากขนาดไหนท่านรู้ว่าชาติไหนทำบุญอะไรไว้อย่างพระเจ้ารู้ว่า พระคุณว่าสาริวดเคยไปขั้นข่าวถ้าเกิดปเดป็นธวดาแล้วก็เกิดเป็นรูปชาปโมเคยทำอริยธรรมบทเดียวเมื่อเทวิธรรมจบ ก, ก็จะเป็นอารานิถ้าสิไอก็เช่นเดียวกันเมื่อท่านเป็นสัพพุทธอย่าท่านทรงเรียกว่าสัพพันยุก็รู้ทุกอย่างท่านจะรู้ทุกบุญกุศลของเราที่ทาแล้วทั้งหมดว่าบุญกุศล ส, ส่วนใหญ่ที่มีกําลังมาก สามารถจะบรรดาในเราเป็นพระอรหนได้พระเจ้าจะเทศจบบทบนวดขึ้นบนบดนั้นเมื่อเราฟังจบก็สามารถจะเปนอรหันได้เช่นเดียวกันทารันดาพระพุทธรายทุกท่านการแสดงวัรรมเทศนาในวันนี้มันก็ดีกว่าวันคำว่าดีวานไม่ใช่เทศดีนะวัะอาจจะเทศดีกว่านี้ก็ได้แต่ว่าเมา่อวานนี้เทศไปขาก็ชาละมาชาละมาชาละมา กวยกขาไม่ขึ้นขาขวาวยชาหนักเข้ามัก็ปวดมันปวดในขาไม่พอจ้าปวดต้งสี้ซะด้วยแต่ยืดยเไยใจไว้ขาก็ยกไม่ขึ้นได่ต้องขี้แล้วปวดดีเลยจะขี้มันธรรมะเท่นัมนในท่าไม่ันนะก็เห็นว่าการแสดงวัฒนธรรมเทศนาในวันนี้ขบการางรษัทผมว่าทุกท่านจงมีอยากมีความเข้าใจ ว่าวันนีบุญใหญ่มีกระท่านแล้วจะนับประมาณบุหญหาไม่ได้ไม่รู้จะนับยังไงเพราะเกิดเวลาตกิตชาติเปนางฟ้าตะกิตชาติเป็นฤากิชาตินับไปได้เพราะพะตัวย่ออธิบายว่าท่านตายจากความเป็นคนแต่ทุกคนอย่าลืมว่าทุกคนเกิดมามีบาปไอ้คาว่าบาปที่จะตามนึกถึงมัน ทูพุทธเจ้าสงสรพวกเราขรึ้นเชื่อคว่าชั่วอย่าตามนึกถึงมันมั น, มนบาปแล้วก่อนแล้วกัไปเคยบี้ยงบีพ้พดบีบาา้โล ด, ดุดใส่ข้าบลาข่านนกข้าเราตามใจเสริจมันจะเป็นไงก็ช่างมันผ่านแล้วให้ไปแทนไปไม่ตามนึกนคือมันนึกถึงอย่างเดียวคือบุญบุศนนึกถึงว่าเราเคยฟังเสถียรธรรมการฟังอภิธรรมคือทั้งข่าวใจเป็นเจวดาไปดังฟ้าได้เราก็ต้องเป็นได้ ตมอมามาเนาาเกิดเปคนเข้าไามีกรรมตัวเดียไปอรหัน ไ, ได้เราก็ต้องเสียดายปฏิภาณเช่นเดียวกันเพราะไม่อย่างนั้นถ้าคิดอย่างนี้มันฟุ่งเกินไปก็ตั้งใจคิดแตเพียงว่านึกถึงพระพุทธเจ้าและพระพุทธนาวคุโธ่าวล่อนจะหลับนะเมื่อที่สระทึ้งหมอนนึกทึ้งบุญทุกอย่างเขไม่ช่วยพระเจ้าเป็นผู้คลายจากความหลง หมายามก่อนที่จะตายมีส ต, ติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่มีสติการหนักแล้วมนุษย์ถึงพรจ้าภาวนาพุทโธให้ใจเข้าในใึกบอกพุทธเจ้าใออกจักรวาโทพานาสองสังั้งหลับกระช่างมานันก่ะเผินเมื่อตื่ขึ้นมาใหม่ๆก่อนจะลุกขึ้นนอนอย่างนั้นยังไม่ต้องปหยับตัวจับลมหาใจออกให้ใจเข้าในึกบพุทธเจ้า ใ, ใ, จใจ อ, บบออกจัวาโทภาวนาสั้ง เพียงแค่นี้ทำทุกวันมันด่ดาท่าพุทธวิสัทุกท่านไม่ต้องทรมานร่างกายเมื่อท่านตายจากความบป็นคนอย่างน้อยที่สุดจะเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้านี่เป็นอย่างต่ำถ้าอย่างกลางถ้าจะเกิดเปงตรหมถ้าบังเอิญเวลาที่ท่านจะตายเกิดไม่ดียมในร่างกายหรือร่างกายเปทุกข์เราไม่ต้องการร่างกายอย่างอื่นท่านจะไปนิพพานทันที เาลาแยกยงประตวจสัตว์สงหายโดยทั่วหน้ามีเวลาไม่ใกจะหมดเลาแล้วเพราะยกตัวธรรมาเทศยนธนาลงหัวแต่เพีนสมีในที่สุดธรมาเทียนธนาเนี่ยตมาภาพขอตังสัตา์ปุญาดิสารน่างุระศีลรัตน์ไทยมีพลภตระตะณะามารตระณะดสังหาัตะนั่งสามลักษณะขอจงลงบรรดางรรดาต่พุทธัน์สัตทุกขันมีแต่ามสสวัสดิภาพสนทรมงคลสมบูรณ์ผล แต่จงจะได้ะโจากสมรภิตฐพกนชัยทั้งสี่ประการมีอายุอันละสุขาพละนับัติุาตนหากุกขัตประตาสนาสิ่งใดก็ได้เหตุนั้นทุความประดทุกประการอาจจะมาภาพรักพามีศาสนามาน่าทีธรรมะคาถาก็ขอนี่ปีตุลาเมตยสนาโลงหงไว้จะเป็นี้ณีเอวังจบีตุกา